ไปไปฝึกเลยอโอ้ถ้าสวรดรวมกันสักอาทิตย์หนึ่งนี่จะคล่องเหมือนสำนักเดียวกันเลยนั่นนี่ถ้าเราจับหลักได้เหมือนที่แนะนำเมื่อวานนั่นแหละสระทีขะสระรัศสระรัศสระคือสระเสียงสั้นเราออกเสียงสั้นสั้นอิอุอิติปิโสภะกวา อะระหังสัมมาสัมบุโทโธนมันเราดูไปเสียงสระสรั้นก็ว่าสั้นสระยาวก็ว่ายาวไพเราะด้วยนิ่มนวลด้วยมันไม่ขัดกันด้วยเมื่อวานยังรถเห <c oughs> มือนไก่นั่งรถนะเ ง, งือบเงืบเงือบงือ ่วาเออวันนี้ทำไมรื่นดีนะถึงถามว่ามีเวลาได้ไปฝึกสวดเลให้จับหลักที่แนะนำเนี่ยทีฆะกับรัศษระทีฆะระคือสระเสียงยาวทีฆะแปลว่าวยาวอีอ e ูเอออืมอีอูเออเนี่ยว่าเสียงยาวๆได้ แต่ถ้าเป็นสระเสียงสั้นเราไปว่ายาวมันว่าไม่ได้มันแปลงรูปไปแล้วอะอะว่ายังไงจะได้ ย, ยาวอะจบแล้วอีมันสั้นอะอีอุอัองเอนี่สระอังสรอ็องกลมกลมกรบนก็เป็นเสียงก็เป็นสเสียงสั้นสเสียงเสียงนี่ก็เสียงสั้นะ พยัญชนะที่สะกดกันเขาเรียกว่าพยัญชนะสังโยคสังโยคสังโยคคือมันสะกดกันอันนี้ต้องออกเสียงหนักเซโยเซโยยานะซัมว่าให้มันหนักๆยานะซัมปันโนซัมถ้าเป็นสะกดกันถือว่าเป็นพยัญนชนะสังโยค เราต้องว่าเสียงหนักหนว่าเสียงหนักหนักเป็นเขาเรียกว่าครุลหุครุระหูเสียงครุเสียงระหุเสียงครุเสียงหนักเสียงระหุเสียงเบาอันนี้เราไม่รวมเรียนออกเป็นสำเนียงมาคตหน้าคอระคังสังคอลงคอบุดทอทอทงในลงคอเนี่ย สังโฆ อ, อิติปิโสภะกวาอาระหังสัมมาสัมบุตรโทเราจับจับได้เสียงสั้นเสียงยาวมันก็จะไปพร้อมกันสวดมนต์พร้อมกันนี่ถือว่าไพเระาระไพเราะและมันก็ไม่ต้องดึงกันมันมัต้องรั้งกันนะมันไพเระาระสวดมนต์ไพเราะเนี่ยทำให้จิตเยือกเย็นสงบเร็ว มันเป็นการกล่อมจิตไปในขณะเดียวกันนั่นแหละตั้งใจสดดวดโดยแล้วก็ได้บุญมากสิ่งต่างๆเรานี้เป็นบุญยกิริยาคาว่าบุญยกิริยาคือกิริยาให้เกิดบุญเราเป็นนักสังสมบุญอะไรขึ้นชื่อว่าบุญเราทำเอาหมดไปดูวัตถุไปดู ไปดูบุญกิริยาวัตถุทานศีลภาวนาทว่าโดยกว้างๆก็คื อ, อบุญกิริยาวัตถุ10ทานศีลภาวนาธานามัยศีลลมยภาวนาไม่ไวยวัจจะไม่ไวยวัจจะไมก็คือขวนขวายประโยชน์เกี่ยวกับคนอื่นเช่นอย่างเขาตากผ้าเอาไว้ฝนตก เราก็ไปหยิบผ้ามาไว้ในที่ปลอดปลอดฝนนี่เขาเรียก ว, ว่าไว้ประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นวายาวัดจะใหมน่นี่นี่ก็เป็นบุญธรรมสวรรณาม่ธรรมสวรรณหม่บุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมการตั้งใจฟังอย่างเดียวก็มีอนิสงฆ์ธรรมเทศนาใมา่บุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญสําเร็จด้วยการแสดงธรร ม, มปฏิทานำใมบุญสําเร็จ ด้วยการอุทิศส่วนบุญเหมือนอย่างที่เราอุทิศส่วนบุญไปเมื่อกี้เนี่ยให้แก่บิดามารดาปู่ญาตายายผู้มีอุปการะคุณนับตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมาถึงพ่อถึงแม่พี่น้องปู่ญาตายายเจ้ากรรมนายเวสรสรรพสั ต, ตว์ทั้งหลายทั่วทั่วไตรโลกธาตุนี่อุทิศส่วนบุญเ้าเรียกว่าปฏิทานะไม่บุญบุ ญ, บญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญบุญที่เราทำทั้งหมดนี้เป็นของเรา เมื่อเราทําแล้วเราก็อุทิศ ส, ส่วนบุญคําว่าอุทิศก็คือเจาะจงให้กับคนนั้นให้กับคนนี้แม้แต่เราไม่เจาะจงกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นอุทิศะอุทิศะคือเจาะจงให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นการเกื้อกูลกันเป็นการเปิดจิตใจให้กว้างขวางกับหัวใจของสัตว์ทุกๆดวงในโลกนี่เป็นการเปิดกว้างและจะไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยกับใครจิตใจสงบเยือกเยน็นปั ปฏิฐานะไม่บุญธรรมเทียปฏิฐานะไมบุญอะไร ว, วัรยวัจจไมขวนขวายในกิจธระที่ชอบของหมู่ทำ ม, มเทศนามัยธรรมวัตสวานามัยามารวมลงที่ทิฏฐุฉุกรรมทิฏฐุฉุกรรมสิบอย่างนะไปอ่านดูเมื่อกี้นับไม่ครบจำไม่ได้นี่เป็นเป็นบุญญากิริยาคือกิริยาที่ทำให้เกิดบุญ ขึ้นชื่อว่าความดีเราต้องเก็บเราต้องสะสมมาเอาไว้ที่บุญนิธิคือหัวใจของเราหัวใจของเราเป็นบุญนิธินะแปลว่าขุมทรัพย์คือบุญฝังลงที่นี่ที่ใจของเราเนี่ยใครมีบุญที่ใจมากคนนั้นก็อยู่ก็มีความสุขตายไปก็มีความสุขของใช้ไม้สอยสะดวกสบายพรั่งพร้อมบริษัทบริวาร จิตใจดียารม์ดีที่อยู่อาศัยดีอะไรดีไปหมดพร้อมโดยลาบโดยยศโดยเกียรติด้วยสรารเสริญด้วยอะไรสารพัดนี่เป็นพลังของบุญแต่บุญที่ละเอียดมากขึ้นไปกว่านี้เป็นบุญระดับล้างป่าช้าก็คือบุญภาวนาเนี่ยคือบุญภาวนาภาวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการภาวนาทานใหม่บุญสําเร็จด้วยการให้ทานรักษาศีล ศีลละม่บุญสเส ด, ด้วยการรักษาศีลแล้วก็ทิฏฐุชุ ก, กรรมทิฏฐุชุ ก, กรรมก็คือทำความเห็นให้ตรงตัวนี้สำคัญนะตัวนี้เป็นหลักทำเจาะลึกเข้าไปาถึงสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่ามีอยู่จริงเป็นอยู่จริงตามภาวะของมันทำความเห็นให้ตรงทำยังไงทาถึงจะตรง ทำให้ตรงให้รู้ให้เข้าใจตามทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันรวมไปถึงหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาหลักอสุภอสุพังหลักอนิจจังหลักทุกขงังหลักอนัตตารวมไปถึงหลักสมาธิรวมไปถึงหลักวิปัสสนาเนี่ยคือทิฏฐุชุกรรม ท, ทําทิฐิให้ตรงคําว่าทิฐิก็คือความเห็น ความเห็นก็คือความรู้ที่เกิดจากจิตนั่นแหละเราเรียกเราเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิทิฏฐิอุชุแปล ว, ว่าตรงทิฏฐุชุกรรมทํากรรมให้ตรงทํากรรมให้บริสุทธิ์รักษากรรมของตัวเองให้ตรงรักษากรรมของตัวเองให้บริสุทธิ์รักษาอย่างไงถึงจะได้ตรงรักษาอย่างไงถึงจะบริสุทธิ์ถ้าเราไม่เข้าใจหลักของธรรมเราไม่สามารถจะรักษากรรมของเราให้บริสุทธิ์ ถ้าเราเข้าใจหลักของกรรมเราจะสามารถรักษากรรมของเราให้บริสุทธิ์ได้คําว่ากรรมบริสุทธิ์กรรมบริสุทธิ์ก็คือสํารวมระมัดระวังกรรมที่กายกายกรรมของเราที่วจีกรรมของเราที่มโนกรรมของเราโดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนนั้นกล่าวหาเราว่าอย่างนั้นคนนี้กล่าวหาเราว่าอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งข้างนอกท้าเรียกว่าเป็นเรื่องกล่าวหาแต่ความจริงอยู่ที่เรา ประจักษข้อเท็จจริงอยู่ที่เราการทําความเห็นอย่างนี้ที่เรียกว่าทําความเห็นให้ตรงผู้ที่ทําความเห็นให้ตรงได้เป็นผู้สามารถรักษากรรมของตนเองให้บริสุทธิ์ได้เช่นอย่างเขากล่าวหาว่าเราไปทําอย่างนั้นทําอย่างนี้โดยที่เราไม่ได้ทําแต่แทนที่เราจะพิจารณาตามหลักความเป็นจริงว่าเราไม่ได้ทําจริงๆริงเราจะพิจารณาแล้วก็ยอมรับว่าเออเราไม่ได้ทําจริงๆเราจะหยุดอยู่แค่นี้เราไม่หยุด เราอาจจะคิดเลยเถิดไปว่าดูถูกเราเหยียดยม้มเรารังแกเราอะไรต่ออะไรนี่คือการสร้างกรรมใหม่ให้เข้าใจด้วยแทนที่จะรักษากรรมของตัวเองให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ไม่ได้เพราะเราไปต่อก่อนทําให้เกิดกรรมใหม่ขึ้นมาไปกล่าวหาเขาว่าเขารังแกว่าเขาดูถูกว่าเขาเหยียดยามนี่เป็นกรรมใหม่นะแต่ความรู้สึกของเราเราคิดว่าเราต่อ ก, กนกันนะเป็นการหักล้างกันการหักล้างกันก็จริงอยู่ แทนที่จะรักษากรรมของตัวเองให้บริสุทธิ์ตามที่กล่าวหาโดยที่เราไม่ได้เป็นไปนตามที่เขากล่าวหาแต่กลับเราไปตอก่อนกับเขามาไปตอบโต้กับเขาไปกล่าวร้ายเขาการตอบโต้การกล่าวร้ายอันนี้เป็นการสร้างกรรมใหม่ของเราสด ส, ดสดร้อนๆเลยเป็นเหตุทําให้กรรมของเราไม่บริสุทธิ์ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราสามารถย้อนมาดูความจริงที่ตัวเราได้เพราะเรื่องการกล่าวหานั้นเป็นเรื่องของโลกกรรม ผิดเขาก็ว่าถูกถูกเขาก็ว่าผิดแต่หัวใจของคนที่ยังมีโลกกระทำติดตัวนั่นน่ะผิดเขากล่าวว่าถูกก็พลอยปลื้มดีใจไปกับเขาแทนที่จะพิจารณาถึงหลักความจริงเออเราถูกจริงๆแล้วก็แล้วก็หยุดชะงักอยู่แค่นั้นกลับเป็นยินดีเพลิดเพลินหมายถึงว่าผิดเขากล่าวว่าถูกเนะ่พราะยินดีเพลิดเพลินไปกับเขาแทนที่จะย้อนดูความผิดที่ของสร้างขึ้น ที่เรื่ของรู้แก่ใจของตัวของตัวเองนี่นี่คือหัวใจที่เป็นโล ก, กธรรมการกล่าวหาการใส่ร้ายกานะันเป็นเรื่องของโล ก, กธรรมคําว่าโล ก, กธรรมมันเป็นธรรมะของชาวโลกมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ประจําโลกถ้าใครต้องการจะพ้นจากโลกธรรมต้องมาศึกษาเรื่องศีลการรักษาศีลการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมพิจารณาเห็นหลักความเป็นจริงที่เทียกว่าทิฏฐุชุกกรรมทําความเห็นให้ตรงอันนี้สําคัญอยู่นะ อันนี้เป็นหลักเป็นหัวใจของธรรมะทีเดียวถ้าเราจะเทียบกับกรรมฐานกับระดับวิปัสสนากรรมฐานสามารถค้นคว้าหาสาเหตุต้นต่อเพื่อหาไปจักพยานข้อเท็จจริงให้กับตัวเองให้กับคนอื่นได้นี่ทำกรรมของตนให้บริสุทธิ์ใครจะใส่ร้ายอย่างไรเราไม่ดีใจไปตามเขาที่เขาชมเชยเราไม่เสียใจไปตามเขาเาท่าที่เขาติชินนินทาเราทํำยังไง เราดูมาที่สาเหตุที่ตัวของเราที่ใจของเราที่พฤติกรรมของเราที่เราทาเป็นอย่างเขาว่าจริงไหมเราทำไม่ดีโอใช่เราทำอย่างนั้นจริงยอมรับจะอยอมรับหรือออกปากมาหรือจะยอมรับสงบระ ง, งับอยู่ข้างในก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าไม่ยอมรับทั้งทั้งที่เราทำผิดจริงกลัวจะเสียชื่อเสียงกลัวเขาจะเอาไปพูดนินทาแล้วเสียชื่อเสียเสียงเสียอะไร ไม่ยอมรับนี่คือหัวใจที่มีโลกธรรมคนประเภทนี้หาโอกาสที่จะทำให้กรรมของเจ้าของบริสุทธิ์ทำได้ยากคำว่าบริสุทธิ์ก็คือไม่มีโทษกับคนอื่นไม่มีโทษกับตัวเองไม่เพิ่มโทษให้กับตัวเองไม่กล่าวร้ายใส่โทษคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่รังแกคนอื่นไม่บิดพลิ้วกับคนอื่นนี่สามารถทำกรรมกรรมที่จะพึงแสดงออกมาก็คือกายกรรม วจีกรรมโนกรรมกายกรรมกรรมที่แสดงออกมาทางกายกิริยาทางกายของเราเนี่ยเราแสดงกิริยาลุกขึ้นยืนเดินนั่งวิ่งอะไรยังไงก็ตามแต่ท่านเรียกว่าเป็นกายกรรมแต่กายกรรมเหล่านี้ไม่มีผลให้เร า, ใ ห, เราให้เราลงนรกไม่มีผลให้เราขึ้นสวรรค์กายกรรมที่มีผลให้เราเราลงนรกมีผลให้เราขึ้นสวรรค์ ก็คื อ, อกายะสุจริตเนี่ยมีผลให้เราขึ้นสวรรค์กายะทุจริตมีผลให้เราลงนรกเนี่ยไวจีกรรมก็เช่นเดียวกันไวจีทุจริตเป็นเหตุให้เราลงนรกไวจีสุจริตเป็นเหตุให้เราขึ้นสวรรค์ในเมื่อเรารักษากายให้ใหสุจริตรักษาวาจะให้สุจริต เป็นผู้ที่มีกรรมที่สะอาดเป็นผู้ที่มีกรรมที่บริสุทธิ์แต่สำหรับกรรมกิริยาการพูดกิริยาการเดินท่าทางอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นโทษเพราะฉะนั้นท่านจึงระบุมาที่สิ่งที่จะทําให้เกิดโทษคือทำทำลงไปแล้วเป็นเหตุให้ได้ขึ้นสวรรค์ทําลงไปแล้วเป็นเหตุให้ได้ลงนรกเช่น อ, อย่างา <c oughs> กายสุดจริตเนี่ยกายสุดจริตสา เว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นพระพืชผิดในกรรมอันนี้เป็นธรรมะจริยาพื้นๆทั่วไปแต่สิ่งเหล่านี้นักภาวนาทุกคนย่อมมองเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะเราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เป็นประจาเราที่เราจะอธิบายเท่าๆที่ผ่านมาก็มีแต่อธิบายธรรมะลึกละเอียดจากใจธรรมะที่เป็นหลักที่ท่านเอามาบอกมาสอนเราก็ไม่ค่อยได้เน้นอธิบายให้ใหใหใหฟังให้เกิดความเข้าใจเราก็สับเปลี่ยนกันบ้าง ฟังเรื่องกรรมเนี่ยกายสุจริตนะเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดในกรรมเอากายไปฆ่าสัตว์นะเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เอากายไปลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกามเนี่ยในเมื่อเราเว้นทั้ง3อย่างเหล่านี้ได้ก็ถือว่ากายของเราสุจริตเอาไว้จีสุจริตเว้นพูดเท็จพูดอยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเว้นนะคือไม่พูดเท็จ ไม่พูดโกหกไม่พูดสอเสียดสอเสียดยุยงส่งเสริมให้คนอื่นเสียใจให้คนอื่นเสียชื่อเสียเสียงพูดเท็จพูดยาพูดสอเสียดพูดเพลยเจอพูดสอเสียดให้คนอื่นเจ็บใจแล้วก็พูดเพยเจอพูดเลยเถิดเกินความเป็นจริงพูดชั่วช้าลามกพูดยาพูดขายสิ่งต่างต่างเหล่านี้เป็นวจีทุจริตเว้นประกอบแต่วจีสุดจริตไม่ไม่พูดเท็จ ไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพย์เจอร์อันนี้เป็นเหตุทำให้กายของเราบริสุทธิ์วัชีกรรมทางกายทางวาจาของเราบริสุทธิ์มนโนกรรม ม, มนโนกรรมทำไงจิตของเรากรรมมนโนกรรมจิตกรรมทางจิตใจของเราถึงจะบริสุทธิ์เว้นอะไรบ้างเว้น มโนกรรมมโนกรรมมโนสุจริตนะมโนสุจริตเว้นอะไรมโนสุจริตโอ้ยนานๆพูดสักทีหนึ่งลืมหลักละอืมไม่ไม่ลบอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาอืม ไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาอะไรอีกอันหนึ่งลืมแล้วเห็นถูกตามทํานองคลองธรรมอ่เห็นถูกตามทํานองคลองธรรมกับไอคำว่าทิฏฐุชุ ก, กรรมอันเดียวกันเห็นถูกเห็นตรงตามทํานองคลองธรรมก็คือตามกฎของธรรมนั่นแหลสะสภาพทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันท่านเรียกว่าธรรม ไม่ว่าจะเป็นฟ้าแดดดินลมแผ่นดินต้นไม้ภูเขามนุษย์สัตว์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ท่านถือว่าต่างมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะตามสภาวะความมีความเป็นของมันนี่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นกรรมเป็นการทำทิฏ ฐ, ฐิความรู้ความเห็นของตนเองให้ให้ถูกให้ตรงนี่นี่คือสามารถทํามโนกรรมของเราให้บริสุทธิ์ได้เว้นโลกอยากได้ของเขา ไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาเห็นถูกเห็นตรงตามทำนองครองธรรมเพราะเพราะเพราะใจมันโลภคาว่ามันโลภก็คือมันอยากได้ใจนึกเฉยๆนึกโลภอยากได้ของเขาแต่ยังยังไม่ได้ใช้กิริยากายยังไม่ได้ใช้กิริยาวาจาคำพูดเพียงแต่นึกอยากได้นี่เขาเรียกเาเรียกว่ามาโนกรรมเป็นมโนทุจริต เป็นมโนทุจริตเป็นเป็นความเป็นความชั่วทางจิตทุแปลว่าชั่วทั่วจริตะ จ, จริตะแปลว่าประพฤติชั่วทางใจประพฤติชั่วทางจิตไม่ลอบอยากได้ของเขาแต่ตราบใดเรามีความโลภและเราเอามือของเรายื่นไปหยิบเอาของเขาน่าประกอบกายกรรมวจิกรรมไปด้วยกายกรรมกับมโนกรรมไปด้วยกันเราเกิดความโลภเมื่อไหร่ เราให้การเทศ็ศนะให้การเทศเพื่อเป็นพยานเทศ็ศเพื่อได้รางวัล ง, งามๆเนี่ยพอเราพูดขึ้นมาปับ๊บมันก็เป็นวจีทุจริตนะเป็นวจีทุจริตนี่ด้วยความโลภ <c oughs> แสดงออกมาทางกายกรรมทางวจีกรรมเนี่ยนี่คือกรรมมโนกรรมมันเป็นที่ใจซะก่อนเสร็จแล้วค่อยแสดงออกมาทางกายทางวาจาดังไหมนี่ฮะดูเหมือนไม่ค่อยดังฟังออกปะ ดังไหม <c oughs> มโนกรรมไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบามบปองร้ายเขาพยาบามบปองร้ายเขาก็คือโลภอยากได้ของเขาแล้วต้องการต้องการที่จะได้สิ่งเหล่านั้นตามที่เรามุ่งมุ่งหมายเอาไว้แต่มันเอาไม่ได้เพราะเขามาขัดขวางเอาไว้เกิดความกโกรธเกิดความกโกรธเกิดปฏิฆะเกิดการขัดข้องและเกิดความก โ, โกรธโกทะโกทะเกิดความกโกรธ เกิดปฏิฆะเกิดโกทะเกิดโกท ะ, ะแล้วเกิดเกิดพยาบาทคำว่าพยาบาทก็คือปองร้ายออได้ช่องเมื่อไร่กูจะเอาได้ช่องเมื่อไรกูจะพยายามเอานี่เขาเรียกว่าปองร้ายปองร้ายเกิดขึ้นมาจากมันไม่ได้ตามใจต้องการนั่นแหละถ้ า, า, น, น, า น, นึกคิดอยู่ในภายในนึกคิดอยู่ในภายในก็คือปองร้ายอยู่ในภายในพอแสดงออกมาทางกายกรรมก็บวกกับกาย แสดงออกมาทางวจีกรรมสัส่งคนนู้นสั่งคนนี้เอาไปช่วยเก็บคนนั้นนะในภายในคืนนี้นะอนี่ออกมาทางวจีกรรมเลยนี่เป็นเหตุทําให้กรรมของเราไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจะรักษากรรมของเราบริสุทธิ์จะต้องอไม่โลภอยากได้ของเขาสิ่งใดที่เป็นของเขาเราไม่โลภอยากได้ไม่พยาบาทปองร้ายเขาโลภอยากได้ของเขาก็เดือดร้อนพยาบาทปองร้ายเขาก็เดือดร้อน แต่ถ้าหากยังไม่รู้จักหลักความเป็นจริงของธรรมะทั่วๆไปยังไม่ได้ศึกษ า, าให้เป็นที่มั่นใจสิ่งเหล่านี้ก็ยังพรางลวงอยู่นั่นแหละ เ, เพราะมันเข้าไม่ถึงหลักความเป็นจริงยังเข้าถึงเหตุถึงผลไม่ไม่จริงเพราะฉะนั้นทำความเห็นให้ตรงก็คือมาศึกษาตามหลักความเป็นจริงนี่แหละเช่นอย่างเรามาศึกษาเรื่องจิตของเราเทาจิตให้สงบ มาศึกษาเรื่องกายของเราเรื่องจิตของเราพิจารณาเกิดความรอบรู้นี่เพื่อให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยที่แท้จริง เ, เห็นเหตุเห็นปัจจัยที่ทำให้เราได้เกิดในพบน้อยพบใหญ่ไม่จบไม่สิน้นแล้วก็พิจารณาลดละตัดขึ้นมาวัตะวันะวัตวนัวตวนกิเลสกรรมวิบากเพราะฉะนั้นกรรมต่างๆเหล่านี้จะเป็นจะเป็ น, จ ะ, ปนจะเป็นโมคะได้ จะต้องตัดกิเลสในเมื่อเราตัดกิเลสหมดกรรมทั้งหลายทั้งปวงสักแต่ว่าเป็นกิริยาไม่มีวิบากกรรมเพราะไม่มีพาชนะที่จะเก็บกรรมพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านทํำลายพายชนะที่จะเก็บกรรมไว้หมดสิ้นแล้วภาชนะที่จะเก็บกรรมก็คือภายในจิตที่ยังปนเปื้อนด้วยกิเลสท่านชําระทิฐิของท่านจนสะอาดหมดจดบริสุทธิ์แล้วไม่มีที่เก็บกรรมไม่มีอัตตาไม่มีตัวตน ไม่มีผู้ยึดถือไม่มีไม่มีผู้ครอบครองที่หมายก็ไม่มีอุปาทานที่จะไปยึดไปถือเป็นที่หมายก็ไม่มีนี่ทำความเห็นให้ตรงเพื่อประโยชน์เหล่านี้เราเห็นไหมว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีการขัดกันนะไม่ขัดกันไปตามกันได้หมดไม่ขัดแย้งกันเลยธรรมะของพระองค์ซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์มากธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะเทียบกับรัฐที่บางรัที่คสอนบางคาสอนมันขัดแย้งกันในตัว ลัทธิศาสนาบางลัทธิเนี่ยขัดแย้งกันในตัวคําสอนระเบียบปฏิบัติอะไรบางอย่างบางคนซึ่งไม่ใช่ปราฏบัณฑิตไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีทําไปทําไปมันขัดกันในตัวอยู่มันขัดกันในตัวธรรมะ8ป0 0 0ืี่พันพระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าท่นทรงประกาศไม่มีขัดแย้งกันท่านพูดถึงเรื่องความชั่วพูดถึงเรื่องกิเลสก็มีตะกิเลสกิเลสก็เลสให้โทษเป็นทุกข์ให้ทอดเป็นทุกข์ท่านพูดถึงธรรมะที่เอามาแก้กิเลส ตล่อมตล่อมรวมลงมารวมลงมารวมลงมาที่ใจอันเดียวกันอกิเลสทั้งหลายทั้งปวงตล่อมตล่อมรวมลงมาที่ใจอันเดียวกันทําให้ใจตัวนี้ใจดวงนี้เป็นสมรภูมิที่เราจะต้องเอาทำกับกิเลสเนี่มารบกันเนี่ยการศึกษาธรรมะแปดหมพันพระธรรมขันธ <c oughs> ์ไม่ขัดแย้งกันซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์มากธรรมะของพระพุทธเจ้า เ, เป็นผู้รู้ทะลุปลุกโผลงแต่สิ่งทั้งนี้ทั้งหมดนั้น่ะ อ, อยู่ภายใต้เงื่อนอยู่ภายใต้อํานาจของเหตุของผลทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นหเหตุผลของนี้อันนี้เป็นเหตุผลของนี้อันนี้เป็นเหตุผลของนี้และมีการเชื่อมมีการสัมผัสสัมพันธ์กันเราจะเห็นว่าทานส่งให้ศีลศีล ส, ส่งให้สมาธิสมาธสมิส่งให้ปัญญาปัญญาส่งให้วิมุตติวิมุตติส่งให้วิมุตติญาณทัศนะเราดูเนีธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุธรรมเนี่ยส่งให้กันเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไม่มีขัดแย้งกัน ทานก็ไม่ขัดแย้งกับศีลศีลไม่ขัดแย้งกับสมาธิกลายเป็นทานหนุนศีลศีลห น, นุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาปัญญาเพื่อวิมุตติวิมุตติคือความหลุดพ้นวิมุตติหนุนวิมุตติญาณทัศน์และก็หนุนไปจนถึงนิพพานหมดกิริยาหมดปฏิกิริยาหมดภารกิจหมดการหมดงานทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง นี่เราจะเห็นความอัศจรรย์ของธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรานี่นี่เป็นวันนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องกรรมทํำยังไงกรรมของเราถึงจะบริสุทธิ์ก็มันไม่พ้นใจใช่ไหมวันนี้เราพูดตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้เราก็พูดสิ่งที่วนเวียนอยู่แต่กับใจของเราทำไมเราจะหาวิธียังไงที่จะชําระใจของเราให้บริสุทธิ์ได้หมดจดได้แค่เราทําจิตของเราให้ได้ไดไดรับความสงบอันนี้เราก็ไปตีแตกแขนงมากมาย ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นใช้อุบายอย่างนั้นใช้เวลาเท่านั้นนั่งภาวนาเท่านั้นและได้รับความสงบอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแน่เรื่องเดียวเท่านั้นแหะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะทําให้ประสบผลสําเร็จมสมาธิส่งให้ปัญญาเมื่อมีสมาธิแนบแน่นแล้วก็มีกําลังทางด้าน จ, จิตใจแล้วเอาไปพิจารณาทางด้านปัญญาก็พอที่จะมองเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจน ไม่เห็นเหตุเห็นผลที่เป็นตัวหลอกลวงเป็นตัวอำพรางเหมือนกิเลสมันหลอกเราเน่มันอ้างเหตุผิดมันอ้างหลักฐานเท็จมันอ้างเหตุผิดมันไปนกระสิบกระซาบจิตให้เข้าใจผิดเดี๋ยวนี้เราท่านทั้งหลายเราได้รับความทุกจากการที่เราเข้าใจผิดทุกวันทุกเวลาอาจจะทุกนาทีก็ได้ถ้าหากเราไม่พยายามชำระจิตของเราให้ให้ตรง ตามทำนองคลองธทำหรือหลักของทิฏฐุชุก ร, รมเราเข้าใจผิดตราบใดเวลาเราจะแก้เราก็จะต้องแก้ผิดในเมื่อเราทราบผิดเราเข้าใจผิดเราก็ต้องยึดผิดเราก็ต้องถือผิดและเราก็ต้องปฏิบัติผิดคําว่าปฏิบัติก็คือลงมือจัดการตามที่ความรู้ความเห็นมันส่งมาให้กับจิตของเราในเมื่อเราทําผิดแทนที่จะเป็นเป็นไปเพื่อทำ กลายเป็นไปเพื่อกิเลสกิเลสแทนที่จะเป็นไปเพื่อความสุขแต่กลับเป็นไปเพื่อทุกเดี๋ยวนี้เราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจากสิ่งที่เราเข้าใจผิดนับตั้งแต่ตัวเราคนเกี่ยวข้องกับเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเราได้รับความทุกขจากการที่เราเข้าใจผิดกันเนี่ยเป็นส่วนเป็นส่วนใหญ่เสียทีเดียว บางทีถึงขั้นแตกหักกันบางทีถึงขั้นฆ่าแกงกันด้วยเหตุเข้าใจกันผิดเพราะอะไรเพราะกิเลสมันป้อนข้อมูลผิดผิดให้เราเข้าใจผิดผิดมันสร้างสัญญามาให้หมายผิดผิดรู้ผิดผิดเข้าใจผิดผิดยึดผิดถือผิดแก้ผิดบางทีทำอันตรายกับคนถูกแทนที่จะทำอันตรายกับคนผิดแก้แค้นกับคนคนผิดแต่กลับ ไปทําคนที่ไม่มีความผิดอย่างนี้ก็มีการเข้าใจผิดก็มาจากการคาดผิดเดาผิดไม่เห็นสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ปักใจเชื่อลงไปแล้วก็ทําตามทําตามนั้นลงไปไม่ยอมกลัวบาปกลัวกรรมไม่คํานึงถึงบาปถึงกรรมไม่คํานึงถึงโทษถึงภัยที่ตามมาสิ่งเหล่านี้ทําให้เราได้รับความทุกข์อยู่เป็นประจําหัวใจของเราของท่านธรรมะเท่านั้นที่จะสางตรงนี้ให้เรามีความสว่างมีความผ่องใสพอที่จะรู้เห็นเหตุ ผลต้นปลายต้นต่ออย่างแท้จริงได้วิธีการนี้ที่พวกเรานั่งกั น, นมัดกันอยู่สองวันสาวันเนี่ยเราพูดเรื่องเดียวนี่พูดเรื่องข้างในเนี่ยเพื่ออะไรเพราะความทุกข์เวลาเกิดขึ้นในใจของของเราของท่านมันน่าเก็ดน่าหลาบเพราะฉะนั้นอุบายวิธีที่เราจะเอามาแก้ความทุกข์เนี่ยนอกจากวิธีนี้ดีกว่านี้เหนือกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนื่องจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราจึงเป็นธรรมทายาทผู้สืบทอดมรดกอันอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าใครรู้ตัวว่าเป็นธรรมทายาทเป็นผู้ควรจะสืบทอดมรดกคือน้าอัดน้รรมจากพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์แล้วทอดทุระเสียมองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่สาระว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระก็เปล่าประโยชน์เกิดมาพบ กองเงินกองทองแต่ก็ไม่ถือเอาถือเอากองอะไรละ่ะกองหมูดกองขุดถือเอากองแกลบถือเอากองกองอะไรอ่ะกองนุ่นกองอะไรไปตามเรื่องสิ่งที่ไม่มีสาระแทนที่จะถือเอากองเงินกองทองก็ไม่ถือเอาแทนที่จะมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระสำหรับจิตใจจริงๆกลับมองไม่เห็นคุณค่าประชันการได้ยินได้ฟังการศึกษา การสัมผัสสัมพันธ์กันการเกี่ยวข้องกันการสมาคมไปมาหาสู่ประชาสัมพันธ์ให้แก่กันและกันการบอกการสอนกรนัรแนะการอะไรต่อกันและกันจึงเป็นโอกาสทําให้เรามีโอกาสได้เข้ามารู้เ <Yeah. S 2> ข้ามาเห็นเข้ามาเข้าใจก็เหมือนอย่างโครงการ น, นี้มีผู้ที่ท่านจัดเป็นประจําก็ทําให้เรามีโอกาสาพวกเราแม้แต่ท่านอาจารย์มณนะรวมมาถึงเราเป็นต้นกับพวกเราทั้งหลายที่มานั่งเต็มสัญลา เรามีโอกาสมาพบกันเพราะอำนาจของธรรมอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นน้ำเชื่อมผสมผสานไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันเราก็เคารพกันนับถือกันช่วยแนะนําช่วยบอกสอนเพื่อความสุขความเจริญของเราเพื่อความสุขความเจริญของท่านนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีโทษมีแต่คุณอย่างเดียวมันสําคัญว่าเราหลง ลงไปกับอำนาจของกิเลส น, น, นี่ตัวนี้ตัวร้ายกาศทําไมเราจะเข็ดจะลาบเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสเนี่ยนะเราจะเห็นกิเลสเราก็นั่งดูในใจของเราตอนนี้เวลาเท่าไหร่ส อ, สองทุ่มตรงเหร อ, ส, อ ส, สามทุ่มสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มใช่ไหมเราเลิก อ, อย่างงั้นตอนนี้เราก็นั่งนั่งภาวนาไปยาวๆม า, ามัดมันไว้อยู่ในห้องนี่แหละเอาให้มันดิน้นลองดูดิน้นพรวดพลว ด, ลวด อ, อะไรของมันจะทะลักออกมาก็ให้มันทะลักลองดูกิเลสในใจของเราเนะี่ยลองดูดิดูหัวใหญ่ของเรามันดินน้นนะพอเราเอาธรรมะมามัดกิเลส ใ, ในใจมันดิน้นดูความดิ้นของมันจับตัวความดิ้นให้ได้เราจับได้เมื่ อ, อไรก็ฟาดเลยเอาสติธรรมฟาดเอาปัญญาธรรมฟาด ฟาดเข้าไปอ้อาตั้งใจภาวนาดูหัวใจของใครของเราเอาให้อยู่นะเอาให้ตั้งมั่นนะอ่ามันอยู่ยังไงถึงจะว่าตั้งมัน่นก็จิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบมันก็ตั้งมัน่นตั้งมั่นมากตั้งมั่นน้อยมันก็เป็นธรรมชาติของมัน ตั้งมั่นทุกอิริยบทยืนเดินนั่งนอนก็คือสะสมมามากเพียงพอแต่ก็อาศัยการสงบไปจากสงบน้อยๆ น, นี่แหละสงบหลายครั้งหลายหน ม, มากๆเข้า ม, มากๆเข้ากันแน่นขึ้นมาแน่นขึ้นมาแน่นขึ้นมาที่หัวใจของเราจนมองเห็นได้ชัดเจนให้จิตได้รับความสงบตั้งมั่นอ <c oughs> เอาตั้งใจเ่าวนา นั่งภาวนามาชั่วโมงกว่าอ <c oughs> ตอนนี้3ามทุ่มเท่าไหร่3ามทุ่มยี่สิบมเหลือเวลาอีกส0นาทีเป็นไงเหมือนเดิม หรือดีกว่าเดิมเหมือนเดิมคือสงบเหมือนเดิมหรือดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมได้รับความชุ่มเย็นไหมในหัวใจ <c oughs> ได้รับความสงบสงัดไหมเห็นใจตัวเองไหมยอยู่กับผู้รู้ตัวเองไหม มีสติระลึกรู้ผู้รู้ของตัวเองตลอดไหมตามกำหนดพิจารณาลมของตัวเองตลอดไหมทั้งที่เขาหายใจเข้าหายใจออกตลอดเราได้ตามพิจารณาไหมได้กำหนดให้จิตจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวไหม รับความแนบแน่นอสองอร้อโอ้โอเตียปัญหาเยอะแยะเลยใช้หนึ่ง ใช้ซ้ายขวาแทนพุทธโธตนเดินจง ก, กรมได้ได้ไหมซ้ายขวาซ้ายขวาเพียงแต่เรากำหนดระลึกรู้ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนั่นแหละก็ได้ข้อสำคัญ มีสติอยู่กับที่มันก้าวไปน่ะก็ใช้ได้มันจะเป็นอะไรก็ได้สายยางหนอขวายางหนอก็ได้เราเดินไปอืมมันเป็นการมันเป็นการเดินเดินอ่านอ่านอิริยาบทของตัวเองสายยางหนอขวาย่างหนอแทนพุทโธได้ไหมได้ ข้อสําคัญขอให้มีสติกํากับอยู่ตรงนี้คือหัวใจของมันจ้ายอย่างหนอขวาอย่างหนอก็ได้ยกหนอเหยียบหนอยกหนอเหยียบหนอยกหนอเหยียบหนอก็ได้ว่าแต่เรามีมีสติจ่ออยู่กับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งของเราตลอด จะเป็นอิริยาบถกายก็ได้อิริยาบถจิตก็ได้ทาความรู้สึกอยู่กับตัวตลอดก็ใช้ได้แต่จิตมันอยู่ไม่ส่งไปที่อื่นข้อหนึ่งข้อสองระหว่างเดินมีเสียงมีเสียงบทสวดแทรกเข้ามาหรือหาที่เป็น หรือ ห, หาที่เป็นเพลงเหรอหรือบางทีเป็นเพลงควรทําอย่างไรมันแทรกมาที่ไหนเสียงก็เป็นเสียงเพลงก็เป็นเพลงเราอยาให้จิตของเราออกไปรับรับดีใจกับเสียงเสียงเพลงเสียงเพลงจากกระจายเสียงข้างนอกนั่นแหละ เขาก็ทำมาหากินไปเราก็ทํามาหากินของเราไปเขาก็ทำมาหากินของเขาไปไม่ให้จิตมันไม่ให้จิตมันไปหาเสียงปัญหาแผ่นแรกนะแผ่นที่สองนั่งสมาธิแล้วเกิดร้องไห้และต่อมามีอาการขาสัน่นมือสัน่น จัดเป็นทุกขเวทนาหรือไม่และมีวิธีที่ถูกต้องในการจัดการกับอาการดังกล่าวอย่างไรดูให้ดีดูให้ชัดตรวจสอบดูให้ชัดอืร้องเพราะเหตุใดมือสั่นเพราะเหตุใดขาสั่นเพราะเหตุใดเดี๋ยวเปว่าผีมาสิงมาเข้าอีกแล้วอ มันคอยแต่จะว่าไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะดูให้ดีมันอาจจะเหนื่ยมันอาจจะเพลียมันอาจจะหมดแรงแล้วก็ดูไปมันก็เป็นทุกขเวทนานั่นแหละมันจะเป็นอะไรร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เพราะจิตมันเคลิ้มไปตามอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมั้งไม่ใช่อยโย่ร้องไห้โดยไม่มีเหตุนะไม่มี ทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุทั้งนั้นแหละถ้าเราพยายามสอดย้อนย้อนไปดูเหตุของมันเราก็อาจจะเห็นได้เรียนถามการที่จิตตั้งมั่นแสดงว่าจิตไม่ไม่มี แสดงว่าจิตไม่อะไรนะไม่มีการคิดจิตไม่มีการคิดหรือใดใดเลยตลอดระยะเวลาตั้งมั่นเลยหรือคะแล้วฟังคงได้ยินเสียงรอบกายหรือไม่ตั้งมั่นก็คือมันอยู่ในนี้ ตาอาจจะเห็นหูอาจจะได้ยินแต่จิตมันตั้งมั่นอยู่นี้มันสมาธิอยู่นี้มันอยู่ในเบ้าของมันคือในหัวใจนี้อ่ามันมีความรู้สึกเตรียมพร้อมอยู่นี้มันมันไม่ไม่ใช่ว่าหูไม่ได้ยินอย่างนั้นที่ท่านทำเป็นสมาธิเป็นสมาธิโดยที่มันมีมันเป็นอ่า ที่ปฏิบัติมาแล้วมีอยู่สั่งสมมาด้วยด้วยเหตุที่เราสั่งสมอบรมได้มีสมาธิอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดเนี่ยเนี่ยคือจิตตั้งมัน่นอ่ะมันเป็นสมาธิอยู่กับตัวเนี่ยไปไหนก็รู้ตัวทั่วพร้อมกับเจ้าของอยู่มันตั้งมั่นอยู่พร้อมที่จะทํางานได้ทํางานอะไรก็ทําได้ดีซะด้วยเอามาพิจารณ า, าทำก็พิจารณาได้อ ด้วยเหตุที่จิตมันเคยสงบละเอียดลึกลงมากไปกว่านั้นมันก็มีที่อยู่ของมันเนี่ยมันอยู่กับที่อยู่มันไม่ไปที่อื่นมันมีที่อยู่นี่คือความตั้งมั่นไม่ใช่ตั้งมั่นไม่ใช่เข้าฌานสงบหายเงียบไม่ใช่มันเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยจนอิริยบทเป็นประจำเนี่ยมันตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้ยอย่างนั้นพระอริยเจ้าที่ฉันฝึกได้นั่นแะจิตตั้งมั่น จิตที่ตั้งมัน่นท่านก็พูดท่านก็คุยท่านก็ขบฉันอะไรเหมือนอย่างเราเนี่ยแหละจิตของท่านก็ตั้งมั่นอยู่นี่เข้าใจเนาะนี่คือตั้งมัน่นคือจิตเป็นสมาธิไม่ใช่สมาธิมันจะมีเฉพาะเวลาที่เราเข้าอย่างเดียวนะพอเราทำได้เต็มที่แล้วเนะี่ยจิตแน่นหนามั่นของมันตั้งมั่นอยู่ มีความรู้เต็มแนบแน่นอยู่กับตัวของตัวเราเนี่ยการพิจารณาอาการอาหารมีวิธีการอย่างไรและควรทำอย่างไรกราบขอบพระคุณพิจารณาอาหารมีวิธีการอย่างไรพิจารณาอาหารอาหารที่เราจะพึงรับทาน อาหารนี้เราจะไม่บริโภคเพื่อบำรุงกิเลสตัณหาอาสวะเราบริโภคเพื่อศึกษาธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วรับทานลงไปด้วยมีสติไม่ให้มันไม่ให้ความอยากมันมาแทรกทำความรู้สึกพร้อมในการขบในการฉันมีสติทุกทุกขณะที่เรารับทา น, น ยกหนอเข้าปากนอเคี้ยวหนออย่างงั้นก็ได้ถ้าดีกว่าที่เรากำหนดอย่างอื่นก็ทำไปที่ถ้าเราถนัดอย่างนั้นอาหารถ้าเราพิจารณาไม่ให้ไม่ให้ความอยากมันมาแทรกได้เนี่ยเราจะต้องใช้ปฏิกูลสัญญามองเห็นอาหารในจานเนี่ยให้มันเป็น ด้วยสีด้วยกลิ่นด้วยอะไรต่ออะไรมันก็ค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคือตั้งตั้งสมมุติที่เรียกว่าตั้งสมมุติสัญญามองอาหารให้เห็นเป็นของปฏิกูลอแต่บางครั้งเราทําไปแล้วมันเกิดปฏิกูลขึ้นมาจริงๆแล้วไม่กล้ายหยิบเข้าปากอันนี้ก็ถูกสัญญาถูกถูกถูกสัญญาหลอกเหมือนกันถูกสัญญาของตัวเองเนี่ยหลอก เคยมีแหละพิจารณาอาหารในบาตเนี่ยโยเยี ย, ยเ ย, ยมีนอนโยเ ย, ยเต็มอยู่ในบาตน่กลืนไม่ลงอะไรไม่ลงนี่ก็คือถูกสัญญาหลอกอีกเหมือนกันคือมันได้อย่างหนึ่งแต่มันเป็นอย่างหนึ่งความอยากที่เกิดขึ้นจากการที่การที่เราเห็นอาหารแบบนั้นมันไม่อยากคำว่าไม่อยากก็คือตันหามันมันไม่มาไม่มาแทกมันไม่มาแทกทำให้เราขบเคี้ยวด้วยความอรอร่อยด้วยความอยากอ่า ร่างกายอยากกับใจอยากเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะร่างกายที่มันบกพร่องอาหารที่มันหิวเนี่ยเราสังเกต ด, ดูเราดูถ้าดูให้ชัดเจนลงไปแล้วมันมันก็เป็นแต่เพียงตะเวทนาเวทนาทางกายเท่านั้นเองเช่นอย่างร้อนท้องอย่างเงี้ยมันวิว ว, วจะเป็นลมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยร่างกายเหมือนกับไม่ค่อยมีเรียวมีแรงแล้วร่างกายมันก็แสดงอาการต้องการอาหารเนี่ยรู้สึก ทำใหเราจับได้ว่าเออร่างกายมันหิวร่างกายมันบกพร่องมันต้องการธาตุเอาไปเพิ่มความอยากทางใจนั้นบางทีเรากินจนเต็มอิ่มจนจะออกมาทางปากแล้วน่ยมันยังอยากอยู่อันนี้คือกิเลสพาอยากกินเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้ากิเลสพาอยากการที่การที่เราจะพิจารณาให้ความอยากนั้นมันหยุดไป ง่ายกว่าที่เราดูอย่างธรรมดาธรรมดาก็ให้ดูให้เห็นอาหารเนี่ยเป็นของปฏิกูลครูบาอาจารย์ท่านแนะให้ดูให้เห็นให้เห็นเป็นของปฏิกูลดูความเปลี่ยนแปลงด้วยสีด้วยกลิ่นด้วยสันธานด้วยการเวลาที่ล่วงไปแล้วมันมันก็เริ่มบูดเริ่มเน่าเริ่มเปื่อยเริ่มเละพอมาถึงตอนนี้สันธารของมันมันก็เปลี่ยนสีของมันมันก็จะเปลี่ยนกลิ่นของมันมันก็จะเปลี่ยน นะการที่น่ากินหน้าอริหน้าอร่อยมันก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นทําให้ความอยากความอยากโดยกิเลสกิเลสถ้าเราถ้าเราเสกอย่างงี้ให้มันมันไม่ชอบดอกเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้มาปิดกั้นมันไม่ให้มันอยากนี่การพิจารณาอาหารเราพิจารณาเพื่อไม่ให้ความอยากมันมาแทรกที่ใจของเราเราจับได้แล้วเราก็ตั้งเลยแหละเราตั้งใจเอาธาต ดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้มีกําลังวางชาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมบอกมันเลยมไม่เพื่อบํารุงกิเลสตัณหาอาสว ะ, ะเพื่อเป็นการปราบความอยากในใจไม่ให้ความอยากมันมันรุกเข้ามามันล้ําเส้นเข้ามาปกติเวลานั่งจิตจะรวมเร็วเห็นตัวผู้รู้ไม่ค่อยเกิดเวทนาค่ะแต่มานั่ง เข้าคอร์ดเวทนาเกิดขึ้นก่อนปกติเวลานั่งจิตจะรวมเร็วเห็นตัวผู้รู้ไม่ค่อยเกิดเวทนาค่ะแต่มานั่งเข้าคอร์ดเวทนาเกิดขึ้นก่อนถึงจะเห็นตัวผู้รู้ค่ะแต่ไม่สามารถสู้กิเลสได้ พอกิเลสมันชนะโมหะเกิดเกิดทันทีพอกิเลสมันชนะโมหะเกิดทันทีโมหะมันเกิดก่อนแล้วมันถึงชนะอยากขอคําแนะนําควรทําอย่างไรจึงจะสู้กิเลสได้เราก็เอาเครื่องมือที่ดีของเรามา สติสัมปชัญญนะน่ะเอาให้แน่นหนาะมันคงเข้าเวทนาเวทนาเวทนาไม่ค่อยเกิดเวทนานี่ก็คงจะหมายถึงทุกเขเวทนานั่นแหละไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยปวด อ, อันนี้หมายถึงนั่งที่บ้านนั่งที่อื่นหรือนั่งที่ไหนแต่เวลามานั่งเข้าคอร์สเวทนาเกิดขึ้นก่อน จึงจะเห็นตัวผู้รู้จึงจะเห็นตัวผู้รู้เอาอะไรไปเห็นตัวผู้รู้เอาอะไรไปเห็นตัวผู้รู้ดูจิตเอาจิตดูจิตเอาผู้รู้ดูผู้รู้เห็นไหมเอาผู้รู้ดูผู้รู้เอาผู้รู้เห็นผู้รู้ดูดูให้เห็นให้ชัด ทายให้ถูกดูให้ชัดแต่ไม่สามารถสู้กิเลสได้เห็นตัวผู้รู้แล้วยังไม่สามารถสู้กิเลสได้ก็แสดงว่าผู้รู้ที่เห็นเนี่ยมันเป็นกิเลสหรือเปล่าหรือเห็นผู้รู้สักดิ่ทวารู้เฉย หรือว่าเป็นผู้รู้ที่ถูกกิเลแสแทรกเข้ามาถึงจึงสู้ไม่ได้อพอสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้กิเลสก็เลยชนะชนะกิเลส ช, ชนะโมหะเกิดทันทีคําพูดเราพยายามดูของจริงให้มันชัดคําว่าชาราธรมโมหิอ่านว่าชาราธรรมโมหิใช่ไหมเจ้าค่ะ ไม่ต้องมหิดอกทำมมหิทำมมหิเราเราใช้คาว่าทำมโมหิเสียงมันก็กล่ําในตัวอยู่แล้วอไอตัวมอมตัวนั้นเป็นเป็นตัวกล่ําทำมมหิทำมโมนั่นแหละทำมมหิทำมมหิ เช่ามอมิบางคนตั้งใจว่าจนจนฟังชัดเลยว่าทำมอมมะิทำมโมหิไม่ใช่ตัวมอตัวนั้นที่มีตัวจุดนั่นน่ะมันเป็นตัวสะกดด้วยมันเป็นตัวออกเสียงไปข้างหลังอีกด้วยเขาเรียกว่าอัทธสระอัทธสระออกเสียงกึ่งหนึ่งตัวมอตัวนั้นออกเสียงกึ่งหนึ่งทำมอมหิทำมอมหิทำมอมหิทำมอมมะฮิ นี่แสดงว่าไม่ใช่แล้วมันออกตัวตัวรัศตัวสระในเต็มที่ของมันแล้วอธรรมโมหิธรรมโมหิธรรมมหิเราว่าธรรมดาธรรมดามันมันก็ออกเสียงกึ่งหนึ่งของมันอยู่แล้วอืโดยโดยเงี่ยโดยโดยเมโดยเมโดยโดยโดยเมพิกเวอันตาปปะจิเตนันนเสวิตตาบาร์ท่านสวดธรรมจักโดย เดเวปลว่าสองบางคนบางคนไปอ่านไม่เป็นอ่านว่าเดวะเดวะเมพิกเวอันตาไม่ถูกเดเวออกเสียงกึ่งหนึ่งตัวทอแล้วก็มีจุดสเอตัวทอมีจุดเอตัวทอแล้วก็มีจุดแล้วมีตัววอตามด้วยวออกเสียงกึ่งหนึ่งอัตตะเขาเรียกว่าพยัญชนะที่ เป็นอัตตะระอัตตอัตตะแปลว่าครึ่งหนึง่งครึ่งหนึง่งอัตตะระออกเสียงกึ่งหนึง่งออกเป็นอะทีเดียวก็ผิดมันไม่กึงงก่งหนึ่งกึ่งหนึ่งมันเต็มที่ก็ถือว่าผิดละโดยโดยโดยนเวผิดแล้วโดวยชราธรรมมหิธร ม, มมหิธรรมมหินี่มันไม่กึ่งหนึ่งและมันเต็มที่ ก็ถือว่าผิดให้จำเอาไว้ว่ามันออกเสียงก่งหนึ่งในโด ย, ยตัวอย่างที่จะยกมาการสวดการสวดก็ให้จับหลักให้ได้ตามที่แนะนำไปนะี่ยทีฆารัตสะพยัญชนะที่มีตัวสะกดเขาเรียกว่าพยัญชนะสังโยกว่ามันขาดคำ ว่ามันขาดคำํำทำมอมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสังโยกเหมือนกันนะแต่ว่าไอตัวมอตอนนั้นออกเสียงกึ่งหนึ่งทำมอมหิทำมอมหิมมหพยัญชนะที่มีตัวสะกดเขาเรียกว่าพยัญชนะสังโยกต้องว่าเสียงให้หนักเป็นเป็นเป็นเสียงเ ป, เป็นเสียงเป็นเป็นเสียงครุเป็นเสียงหนักถ้าเราว่าให้ได้ตามกฎเกณฑ์ฟังไภเราะสวดมนต์ในไพเราะนี่น เรามีเรามีเวลาไปปรับปรุงนิดหน่อยเราสวดแค่นี้เราจับหลักได้แค่นี้เราสวดเข้ากันดีแล้วก็มีความไพเราะก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างอื่นนะท่านที่ได้รับความสงบก็สงบไปสงสมไปอบรมไปความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตนั้นน่ะมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการสะสมะสงบมากสงบน้อยที่อ่า นานนานช้าสั่งสมบ่อยครั้งบ่อยครั้งบ่อยครั้งบ่อยครั้งจนมันแนบแน่นอยู่ที่ใจเนี่ยยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็อยู่นี้หรือเราจะเอาตอนที่เขาเข้าไม่เกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงกับอะไรแต่อะไรข้างในแนบแน่นอย่างนั้นเราก็เราก็พูดได้ เรื่องเกี่ยวกับกิริยาอาการอย่างอื่นเนี่ยเราก็ดูมันมีเหตุมีปัจจัยของมันอยู่ดูให้มันชัดแล้วก็จะเห็นอย่างร้องไห้เนี่ยร้องไห้อยู่เฉยเฉยจิตร้องอยู่เฉยเร้องไห้มันเป็นไม่ได้มันอาจจะนึกนึกใจอ่อนสงสารสิ่งนูนสงสารสิ่งนี้น ส, ง ส, ส, ง, สงสารตัวเองสองสารญาติพี่น้องสองสารเรื่องนู่นเรื่องนี้นึกน้อยเนื้อนึกต่ําใจนึกดีใจนึกเสียใจมันร้องไห้ได้หมด เกิดร้องให้ร้องให้เพราะสลดสังเวชก็ได้สลดสังเวชจากการที่เราได้รับความสงบเราได้รับความสุขร้องให้อยาให้คนอื่นได้รับความสุขเหมือนกับเราน้ำตาร่วงต่อมาก็มีอาการมือสัน่นตีน h, มือสัน่นขาสัน่นมือสัน่นก็ดูให้ดีร่างกายมันหมดแรงเกี่ยวกับเรื่องกิริยาอาการเราก็ดู กิริยาการของกายดูไม่จาเป็นต้องถามก็ได้ดออย่างนี้น ะ, <laughs> ะแก้ยังไงแก้ก็ดูที่ดูไปให้ดีมันมีเหตุร้องไห้ก็มีเหตุแล้วก็แก้ที่เหตุของมัน พรุ่งนี้เราก็ตีห้าครึ่งใช่ไหมอ้อตีสี่ครึ่งแอเข้าข้างตัวเรื่อยเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ตีสี่ครึ่งตีสีครึ่งเราก็ทําวัดส่วนมนมาพร้อมกันทําวัดเชา้าเราก็มีโอกาสทําวัดเช้าวรวมกันอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้ทําวัดเช้าเสร็จเราก็นั่งภาวนาไปจน ทลายหกโมงหกโมงเราก็ไปไปเดินจงกลมลงไปเดินจงกลมแล้วก็7จ็ดโมงเราก็บินทบาทล้วก็ขบฉันเสร็จแล้วก็9้าวมงเราก็ขึ้นมาอีกที่1แต่ว่าคุณหมอเพิ่งจะพาไปรัตนินระหว่างเที่ย ง, งนั่นแหละตรงนี้ระหว่างเที่ยงเพราะฉะนั้นก่อนเที่ยงมีการ ลาลาลาสิกขาก่อนที่ยังมีการลาสิกขาแต่ตอนบวชกับพระพุทธรูปอตอนศึกสึกพระ <c oughs> <c oughs> ในเมื่อเราสมมติเมื่อเราสมมติเราก็ทาให้ถูกต้อง เราสมาทานกับพระนะไม่ต้องศึกไม่ต้องอะไรเราปล่อยไว้ทิ้งไวนะ้บางคนก็เป็นเกิดห่วงเกิดวิตกเกิดกังวลกลัวจะผิดขนบผิดธรรมเนียมกลัวจะบ้าใบาวิกลวิการไปสารพัดคนเราเพราะฉะนั้นทำให้ถูกดีที่สุดหละนะลาทำไมลาทำไมลาเดี๋ยวมีสินแปดติดตัวตลอดไปโอ้ทำไงตอนบ่ายไม่ได้กินข้าวสักทีเลยทีนี้ตายละกู <laughs> <า>พระครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังทันว่าพระพระอนาคาพระนาคามีเนี่ยกินข้าวมื้อเดียวเป็นปกติเป็นปกติเตพราะมื้อเดียวมันมันเป็นการอยู่เพียงพอสำหรับอัตภาพร่างกาย พระนาคามีไม่ต้องสองมือ้อไม่ต้องสามมือ้อเป็นเองตระนักเป็นเองเป็นเองพระนาคามีก็คือละเอียดละเอียดจิตละเอียดเหลือขั้นสุดท้ายเหลือขั้นสุดท้ายมันสนใจในเรื่องงานของจิตอยู่ข้า ง, างในนั้นอ่ะมันไม่ได้สนใจเรื่องของกายรับทานอาหารมื้อเดียวก็อยู่อยู่ได้อยู่สบายเป็น เป็นโดยธรรมชาติเป็นโดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งใจงดตั้งใจเว้นฉันมือเดียวฉันมือเดียวอยู่ได้ฉันมือเดียวอยู่ได้มด ไ, ดไม่กลับผู้ไม่กลับมาอนาคามีผู้ไม่กลับมาอีกไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกถ้ายังไม่หมดตอนนั้นอัตภาพดับไป ก็ไปเกิดที่สุทาวาส <c oughs> ไปเกิดสุทาวาสก็ไม่ลงมาอีกอไปพัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย อ, อวิหาอตัตาป า, า, าสุทัศสาสุทัศสีอกคนิฐาอกคนิถภพมันมีภพอยู่อยู่ห้าภพนะไปสุทาวาสพรหมโลกตามแบบท่านเขียนเอาไว้ ชั้นอวิหาชั้นอตตปาชั้นสุทศัศสาชั้นสุทศัศสีชั้นอคนิษฐานี่เป็นแปลว่าเป็นพี่ใหญ่ไม่เป็นน้องของใครแหละอันนี้พอพัฒนาไปถึงน้นก็ถ้าเราจะเทียบเหมือนกับพวกแตงพวกอะไรมันก็หลุดจากขั้วไปเลยสุกงอมเต็มที่แหละหลุดไปเลย อ, อวิหาชั้นอวิหาเนี่ยบางทีก็ด้วยเรี่ยวแรงที่ตั้งใจทําความเพียรมากๆกก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ก่อนอายุกึ่งหนึ่งอ่าก่อนอายุกึ่งหนึ่งเแต่ผู้ที่ไปถึงนั้นแล้วก็เหลือเต็มทีละเหลือน้อยเต็มทีละมันจะเดินไปเพื่อความถ้าเป็นผลไม้ก็หาแต่วันที่จะหลุดจากขั้วเท่านั้นแหละกิเลสที่จะหลุดจากจิตนี่มันสําคัญสเปะสปะอย่างที่เราทําทํากันอยู่นี่แหละอ่ะ เราพยายามตั้ง อ, อกตั้งใจเข้าอาจารย์มนะเสริมเข้าไปสักหน่อยให้ถึงเวลาแล้วเราก็เลิกกันวันนี้เหลือเวลาอีกสิบนาทีเอาอ อ <c oughs> าจารย์บุญมีก็อธิบายให้ฟังก็กระจ่างแล้วทีนี้มันอยู่กับทีพ่พวกเราทำกันพยายาม ท, ทำให้ถึงทำให้ได้เพราะว่า เราทำอยู่สม่าเสมอ น, นี่ทำอยู่เรื่อยๆผู้โจพโธไปพุโ้พโจรผูโจรไ ป, รรไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปจิตมันค่อยๆกา้าวเดินก้าวเดินทำหลักทำจิตมันก็มีความมั่นคงแต่ทำมันทุกอย่างอย่าเผลอสติให้มีสติ จ, จดจอ่อทำให้มันต่อเนื่องอยู่เท่านี้เอง ควาเพียให้ต่อเนื่องถ้าเปิดความเพียรเราต่อเนื่องไม่ลดละนี่โอกาสที่เราจะได้พบความสุขในสมาธิกนดีในปัญญาขั้นต่างๆก็ดีมันอยู่แค่เอื้อมที่เราจะไขว่คว้าได้เพราะพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่ว่าด้วยเหตุว่าด้วยผล ถ้าเรจะเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นสินค้าต่างๆที่โชว์อยู่ในห้างสรพสินค้าที่เราจะมมือไปหยิบค่อยคว้าสินค้ามีราคาตั้งแต่หนึ่งบาทจนถึงล้านบาทนี่นี่แหละศาสนานี่เป็นศานาที่ท้าทายผู้ประพฤติปฏิบัติให้ฝ่ายให้คว้าหยิบได้ตามาสติปัญญาของแต่ละคนของแต่ละคน ท้า ท, า, ทาอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราเพียงแจ่ว่าตั้งสติสัมปชัญญะให้ดีดำรงให้มั่นคงทุกไม่จะเกิดขึ้นยังไงเราก็อย่าไปย่อท้อพยายามอดทนถึงต่างๆที่จะเกิดขึ้นเราก็พิจารณาดูค่อยรดู อย่าไปตื่นอย่าไปกลัวนี่ถ้าเพอเราทำความพึงทำความเข้าใจแบบนี้เราจะปฏิบัติได้ถูกต้องไม่หลงมีอะไรสดแรกมาเราเอาสติดูเอาเอาผู้ลูกตรองดูถ้าว่าเราไปตื่นแล้วก็เสียโอกาส ถาาเรายังไม่ชัดก็ดูต่อให้มันชัดเมื่อเราดูปฏิจจบัติไปจิตมันจะมีความเย็นนี่ผลมันจะประจักษ์ตรงจิตนี้เย็นระหว่างสวงอกเป็นเย็นนี่แหละผลที่เราได้รับไม่ต้องสงสัยถามว่านอกเหนือไปกว่า น, นี้แล้วนะไม่ใช่ให้สังเกต ด, ดูจิตมันจะเย็นตัวเย็น ร้อยตู้พันตู้ยังเย็นไม่เท่าความเย็นของจิตเย็นนี่ผลแห่งที่เราปฏิปบัติธรรมเนี่ยมันจะสัมผัสตรงนี้นี่เพราเพราะาไม่มีการไม่มีฐานที่ไม่มีหญิงไม่มีชายคนคงเส้นคงวาพระพระุทธเจ้าท่านประทานไว้ให้เราเนี่เป็นของเยี่ยมนี่เราจะต้อง เดินตามหลักธรรมที่พุทธเจ้าท่านวางไว้คือทานศินภาวนาแล้วก็ยึดกันออกมาเป็นสินสมาธิปัญญาสิ่งร้องนีมน่มันอยู่ที่ไหนก็นอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่ประเทศอินเดียไม่ใช่อยู่ที่ต้นไม้ไม่ใช่อยู่ที่ภูเขามันอยู่ที่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่ง นี่อยู่ตรงนี้ยานี้ออกจากตรงนี้เราจะรู้สัมผัสขึ้นที่ใจโดยมีตาหูจมูกล่้นกายเป็นทางเดิน อ, อ, ยอยู่ตรงนี้เองแหละนี่ทเราจะทำหน้าที่การงานกิจงานต่างๆางแล้วก็ทำแบ่งเวลาเพราะว่าเราอยู่เป็น เพราะว่าเราก็ต้องมีการงานเพื่อการมีอาชีพเรี่ยงทาตขันอันนี้ที่เราเป็นภาระที่เราต้องดูแลเราก็ต้องแบ่งเวลาเอาเวลานี้ให้กับสังคมเวลาเนี้ให้กับตัวเองแบ่งแยกเวลาแบ่งจัดตารางสอนให้ถูก ถ, ถึงเวลาแล้วเราก็ตัดสัญญาต่างๆที่ผ่านมา อยู่ในวงปัจจุบั น, นอยากให้มาปนเปนกันเราวทำงานไม่จับจดเพราะจะนั่งภาวนานเดี๋ยวเอาโนนเอานี่เอาพอเราทำงานออกอยากจะภาวนาแล้วเราแบ่งแยกให้ถูก น, นี่เรานี่ยเพราต้องนี่คือการให้อาหารทางใจถ้าหาว่าเราเพลินโมจะปฏิติ สิ่งภายนอกจะไม่เราไม่ยะถือพุทธศาสนาเพลินไปกับสิ่งจอมปลอมมันก็ไม่ต่างอะไรกับกบเฝ้าดอกบัวเคยได้ยินไหมนิทานกบเฝ้าดอกบัวมันมีนิทานอยูอย่ กบมันนอนอยู่ที่ดอกบัวเน่ยนอนอยู่ทุกวันทุกวันนี่มันเมื่อมีสระน้ํำอยู่ในวัดกบมันก็นอนอยู่บนใบบัวแล้วมีใบบัวมันก็อีกใบนึงก็โผล่ขึ้นมาปิดมันก็เป็นร่มมันก็นอนอยู่แบบนั้นนี่มิววันหนึ่งกบมันก็ลำพึงลำพันเห็นหลงตาท่านไปบินบาตเช้ามาก็ไปบินบาตเข้าไปในบ้าน หเห็นทุกวันนี่แหละแล้วก็ลำพึงลาพันธเนี่ยเป็นเกิดเป็นหลงตานี่ก็ดีนะไม่ต้องไปทําไรใส่นาไม่ต้องไปทาการงานเช้ามากระพายบาทไปละเขาไปในบ้านแ ป, บป๊บเดี๋ยวก็ออกมาละออกมาแล้วก็มาฉันอาหารเสร็จปุ๊บก็มาล้างบาตเอาข้าวกนบาตเอาบานให้ไก่กินครบมันก็ลําพึงลาพันธ์เเกิดเป็นหลงตาดีเนาะ พอก็เอาหวานมาเอาข้ามาวานให้ไก่ไก่เมื่อกินกบมาคิดโอ้เกิดเป็นลงตาก็ยังไม่ดีสู้เป็นไก่ไม่ได้ไม่ต้องไป่ทำไม่ต้องเดินเข้าไปในบินัติให้มัเนเมื่อยเดี๋ยวลงตาเอาข้าวมาให้กินแล้วกบมันก็เห็นไก่กินจิกข้าวกินโน้เกับเป็นลงตายังไม่ดีก็เป็นไก่ดีกว่ากบมันก็ลําพึงนําพันเเยกิดเป็นไก่ดีกว่าคิดอยู่ถ้าคู่หนึ่งก็มีสุนัขมาแย่งข้าวที่ขาหวานไะ ให้ให้กบให้ให้ไก่กินกบก็เห็นอเองอ้าวเกิดเป็นไก่ก็ยังไม่ดีอีกตัวเป็นหมาดีกว่าเ ป, เป็นสุนัขดีกว่ายังข่มเข้งไก่ได้มึงไล่ไก่ไปมากินข้าวแทนตอนที่สุนัขกาลังกินเพลินๆอยู่นั้นกำลัอร่อยอร่อยอยู่นั้นก็มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินผ่านมาสัญชาตญานของสุนัขกลัวว่าคนจะมาแย่งกินก็ ข, ขู่แย่งเคี้ยวใส่ ทีนี้หนุ่มสาวคู่นั้นก็ผู้ชายก็ป้องกันแผนของตัวเองก็เอาก้อนหินก็เอาเศษไม้ เ, เ, เมฟืองไล่หมาหมาก็ร้องเองแล้ววิ่งหนีไปกบมันก็เห็นอีกเฮ้ยเกิดเป็นหมาก็ยังไม่ดีสู้เกิดเป็นคนไม่ได้เป็นมนุษย์ดีกว่าหาแล้วกบมันก็ลำพึงลำพันธ์ก็เกิดเป็นมนุษย์ดีกว่ามันหนุ่มสาวคู่นั้นก็เดินลำพึคุยกันมาก็มาถึงหนองน้ําที่ขบอยู่นั้น เดินคุยกันชมจิวทัตอยู่บริเวณนั้นระหว่างที่ชมอยู่นั้นก็มีแมงหวีแมงวันมาตอมตามจมูกตามหูตามตาให้เกิดความลำคานโอ้ไปหยุดไปจี่อื่นดีกว่าที่นี่แมงหมีแ ม, ง ว, แมงวันมันเยอะตอมหน้าตอมตาเนี่ยกลบมันก็เห็นนลยโอ้เกิดเป็นคนก็ยังมีดีนะถ้าเกิดเป็นแมงหวีแมงวันไม่ได้อย่างไรคนได้ คนก็เดินหรี่ไปแล้วควบไม่ยังคิดอยู่เองเกิดเป็นคนก็ยังไม่ดีถ้าเกิดเป็นแมงหวีแมงวันก็ไม่ได้แมงเอิญแมงหวีแมงวันจะโตหนึ่งเมื่อกี้ปลายจมูกกบกบพตฒวัดเล้นกินปุ๊บเข้าไปในลาคอปุ๊บโอ้เกิดเป็นแมงมุมแมงวันนี่ก็ยังไม่ดีนะถ้าเกิดเป็นกบไม่ได้นี่อะไรก็กบเป็นตัวเองยังยังนอนอยู่ทุ่งทใบโบนั่นแหละ นี่แหละเป็นถ้าว่าเราได้เกิดมาอยู่ในช่ามกลางพุทธศาสนาเพอหลงอยู่ในสิ่งจอมพอไม่สนใจพุทธศาสนาไม่มีการให้ทานรักษาศีลไม่มีการภาวนาพุทโธที่มันก็มาต่างอะไรกับกบฟ่อดอกบัวมีพุทธศาสนาประจำชาติอยู่แล้วแต่ไม่ขนขวาสนใจ นี่ลองเป็นนึกดูนี่เราจะทำไงล่ะในเมื่อพระองค์ประทานเอามาให้แล้วหลักวิชาที่เคยพูดให้ฟังสถานที่การดำเนินมีครบสมบูรณ์นี่เราก็ต้องเอามาใช้มีแผนที่แล้วเราเดินหากลุ่มทรัพย์นี่นี่เราต้องหาด้วยสติใครควรให้ดีตั้ง สติให้ดีปรับจิตให้ ด, คดหหหีค่อยๆเดินหาดินหาอะไรก็ง่ายๆพุโทโธพุโทโธไม่ยากเวลาเราเข้าหน้าที่เราก็พุโทโธพุโทโธอยู่ในคําบริกรรมเนี่ยสองคําง่ายๆพุโทโธพุโทโธแล้วมองๆดูว่าสองคำนี่นง่ายๆแ ต, แต่มันแต่มันเราจะาผ่านอุปสรรคผ่านเวทนาการนี่มันไม่ใช่ของ ง่ายเหมือนกันแต่ตั้งนี้ทั้งนั้นแล้วพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเราท่านก็ผ่านมาได้เราก็ต้องอดทน mm hmm. พอความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ถึงสาวกก็ถึงครูบาอาจารที่ท่านผ่านสิ่งเหล่านี้มาทั้งนั้นท่านก็ต่อสู้ผ่านมาได้นี่นี่เป็นเครื่องที่เรา จะเราจะคิดกบคิดเพื่อเป็นกำลังใจที่เราจะเป็นรากฐานที่เราจะทำความเพียรเวลาที่เกิดท อ, ท, อทอถอยลงมาเนี่ยแล้วก็ปลุกสัทายขึ้นให้มันเกิดขึ้นมาตั้งสติให้ให้มั่นคงเนี่ยประกอบเพตุให้ได้สู้กับความเพียร ต่อสู้กับสิ่งจอมปลอมนั้นด้วยความอุตสาหะพยายามมันไม่เกินเลยไปจากความคิดของเราหรอกให้พยายา ม, อมตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วในเวลาแล้วหรือจะต่อถึงหกทุ่ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มที่วัดโสเขา ใ, ในบรรษาเนี่ยเขามีการเนตชิ ถึงสว่างเนี่ามันก็มีกันในชะชี้ั้งพระทั้งตั้งไม่ชี้ก็เยอะแยะถึงวันพระที่นั่นก็มีเดชะชีทีหนึ่งแปดค่ำตีห้าค่ําถ้าเผื่อใครอยู่ใกล้วัดโสลงไปปฏิบัติธรรมที่วัดโสดูก็ได้ก็มีกันนั่งสมาธิอยู่ตั้งแต่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มทุกคืนบนวิหารชั้นสาม อากาศจะดีลมพัดเย็นๆแต่ต้องเตรียมกอยอไปด้วยพระกองทัพเฮลิคอปเตอร์เยอ ะ, ะตัวมันไม่ใช่เล็ ก, เ ล, กเล็กนะตื้อไม่ไม่ยอมถอยเกาะไม่ยอมปล่อยเป่าแล้ ว, ว่ายังไม่ยอมหนีตื้อจริงๆงทีกินจนก้นแดงแฉ่ถ้าว่าใครยังไม่เคยเห็นลองไปสัมผัส ด, ดูแล้วถ้าว่าเดินไปชายทะเลก็มี ปูฟันดาบด้วยนะปูปูเสียชวนะเล่นกันนะมันยกยกกล้ามป้องกันนะฟันดาบโช๊ะโ๊ะโช๊ะนั่นแนหะถ้าใครจะไปฝึกวิชาุธไปดูปูฟันดาบเล่นอยู่เขาก็มีของให้ดูเยอะแยะถ้าใครมีโอกาสผ่านไปลองไปแวะชมดูมีธลีล่าของท่านพ่อรีก็อยู่ในนอนอยู่ในโลงนะ่งก็ไม่ได้เผา ตอนที่อาจมาบวชไปหมายอาจารย์มาบวชที่วัดโสก็คิดอยู่นะเฮ้ hey, ะ่างธลีระท่านท่านพ่อเป็นยังไงนาะเก็บเอาไปฝันเลยนะเ e uh, ออแปลกพระนากธรรมมาไปเปิดลงคนเดียวเลยเปิดออกมาดูโอ้ oh, ล่างจวร อ, อยู่ยล่างท่านนะ่ะแนบไปกับจีวรแห้งไปเลยนี่ท่านก็มรณภาพมาตั้งแต่ศูนย์สี่ห้าสิบปีแล้ว ก็ก็ยังอยู่บนวิหารชั้นสามลองไปสัมผัส ด, ดูนี่ก็มอบคืนให้ท่านอาจารย์บุญมีแล้ว